เรปฏิบัติเราได้เห็นคนจริงได้ปฏิบัติเอาดีรงได้ปฏิบัติเราสุขเราสงบจิตมันจะมองถ้ามันไม่ได้ให่อยากให้หายนะยิ่งรินแย่พอเราอยากให้มันดีแต่จะยิ่งริ้นรนยิ่งริ้นรนยิใงแย่ว่าจะจับหลักได้ว่าใจจะยอมรับนะว่าไม่ได้ฝึกปกตินะยากนะ ยำรับมันไม่ได้ฝึกเอาสุขเอาสงบใครๆก็อยากดีอยากสุขอยากสงบจิ้งตนมาในสังสารวัฏเพื่อสิ่งนี้คิว่าถ้ามันดีมันสุขมันสงบแล้วมันคนปลุกจริงมันดีมันสุขมันสงบนะมันก็ได้ชั่วป่าใจยอมรับความจริงแต่ก็ดูดซ้าแล้วตั้งอีกอจิตมันจะเศร้าหมองห้ามมันไม่ได้จิตจะเป็นอย่างไห้าไม่ได้สักอย่าง พิพิธอมีอะไรามลยังมีอไม่ไม่หยจริงๆบุญแล้วที่มีของแรงมากระทบไี่งั้นเราจะสำคัญผิตพวกนัาปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราไปทำาสมฐานนัเราจะรู้สึกว่าเราบังคับได้บางคนประกาศเลยว่าอะไรๆก็ไม่กลัวไม่โกรเจอภัสสาที่รุนแรงก็จริงๆนะริ่งๆม เวายัไม่มีปัญหาเราสึกสู้ไหวดีที่สุดแต่ว่ายากกว่าจะฝึกเกินใจยอมรับแล้วไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสุบยากเมืเราไปให้ค่าแล้วดีสุขสงบเนี่ยมันเป็นความสุขเราอยากมีความสุขเราฝึกกําหนดไปเรื่อยๆยิ่งนักกำหนดยิ่งนักเจ้องยิ่งรู้สึกบังคับได้คบังครับไปนานๆย่ำใจนะ ไม่กลัวอะไรนะอะไรก็ได้ไอะไรเกิดขึ้นมานะสู้ได้หมดเลยเวลาปัญหารูรื่องเกิดขึ้นก็นมาถาดแตกไปที แ, <c oughs> แต่ว่าดีนะแตกก็ดแีแล้วก็ดูพ ล, ลงังวิญญาณเติบโตพ่อมู้ส อ, อ, อนพานาพวกเราก็เชื่อว่าสีมือดีนะอารมณ์อะไรดูแล้าขาดหมดขาดหมดมตลอดมีวันนึง มีปัญหาคือแรงกรรมฐานาแตกเลยภานะวนามนิสชานาญจิตนะ ท, ที่เคยเดูปุบ๊บกลงดปุ๊บดูปุกบยีปุ๊บนะหายไปเลยทำไงก็ไม่ได้ทำไงก็ไม่ไดนะ้เคยใช้สติเคยใช้สมาธิเคยใช้ปัญญาสำเร็จอาวุธเหล่านี้ใช้ไม่ได้อีกละเวลาย่ำาย่ถึงขีดสุดเลยอาวุธที่เหลือ คือศรัทธากับวิริยะไม่รู้สู้ยังไงแล้วนะสู้ตายถ้าวเอาดีไม่ได้ก็ยอมตายจิตใจเลยราใส่ศรัทธาเอาวุฒิวันนี้จะใช้อะไรแล้วใ <c oughs> ส่ศรัทธาใส่วิริยะสู้ไป ย, ยังไงก็ผ่านแล้วควรจะใส่สติสมาธิปัญญา หรือว่าหังผู้ชายกันู่เป็นเมย์คู่รู้ฮะยังเยอยะเจ็บก็ดีคือเจอแล้วก็ต้องคื่เลช่วงหรือต้องในส่วนอื่นว่ามนมีอะไรก็ต้องพยายามเลยแล้วก็เอาใจมาดูแล้วก็ไปจับที่มองไปเรื่อยๆก็คือจะว่าเมื่อวันนี้ ลึกๆลึ e ๆที hmm. mm ่เราอยู่บนโลกนี้นี่คือคที่ผมรู้ว่ที่ผมรู้ว่าที่ผมรู้วามันเป็นความรักที่ ก็ไม่สนใจตัดนะแต่อย่าไปปรุงแต่งต่อ mm hmm. ความจริงอารมณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปไล่เลยอารมณ์ทั้งหมดเกิดแล้วดับอย่าไปช่วยมาปลุงแล้ว mm hmm. ฉะนั้นอย่างนี้จิตเกิดความคิดขึ้นมาไม่ใช่ไปไลนะ่แต่อย่าไปช่วยมันคิดเพือจะเห็นเลยเออมันเกิดได้มันก็ดับได้ถ้าเราไล่เนยะอะมันไปเราเคยชิน อะไรมา like, אומר, เราก็ไล่หมดเลยเราเ ie, เรู้สึกเก่งไหมือรู้สึกเก่งขึ้นเก่งขึ้นวันหนึ่งไปเจอเรื่องที่รุแนแรงไล่ไม่ไปตกใจแล้วครับถ้าเราไม่ได้ไล่แต่เราไม่ได้สนับสนุนมนะันไม่ต่อต้านไม่คอยตามเหมือน เ, เรือตโตๆก็เก็ียงเรือใหญ่ๆจอในแม่น้ําน้ําไหลไปเรื่อยเรือพักสมองไปเรือไม่ไหลตามน้ําแต่เรือไม่ต้านน้ํา ใจเราถ้าเข้าใจรู้อย่างเป็นกลางไม่ต่อต้านไม่คล้อยตามต่อต้านเช่นนักฏิดหลังชอบจิตจะคิดก็ห้ามไม่ได้คิดจิตจะฟุ้งต้านห้ามไม่ได้ฟุ้งจิตมันไม่สงบพยายามทําให้สงบเลยพยายามต่อต้านหรือไม่ก็ค้อยตามไปเลยมันมีความสุขก็เพิ่มไปเลยหรือมันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดรู้เกิดเห็นอะไรนะเที่ยวรู้เที่ยวเห็นออกไปข้างนอกไป ร้อยตามไปอย่าบันคับที่หลวงปู่กิ้งหมดเลยิ้งหมดราต้ทิ้งความจงใจยจิ้งลยนะที่ไวตรงนี้นยที่ขมงรวยตนี้หนทุกสิ่งทุกที่มนแข็รวลนเอได้ แต่ดีดีดีถ้าเรามีตัวเองถึงมีปัหาเกิดปัญหาเกิดพบปัญหาที่อยากอยากสุขอยากดีอยากสงบอยากจะไม่ปุ๊บอยากจะหายทุกข์ตัางมีความอยากเพมันมีตัวเรา มีความอยากขึ้นมาก็เกิดการทํางานทา ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งใจเริสร้างภพการหาเราสร้างภบใจจะดิ้นรนปรูงแต่งดิ้นต่อต้านดัน้ง ด, ดิ้นะ ร, ระคับระคองรองักษาทั้งหมดทําเพื่อตัวเราตัวเราฉะนั้นไม่ว่าการปฏิบัติเนี่ยจะปรุงแต่งให้ดีพิเศษแค่ไหนสุดท้ายก็เพื่อตัวเองถึงความปรุงแต่งนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยคือนักปรุงแต่งฝ่ายดี พยายามบังคับกายพยายามบังคับใจคิดว่าถ้าบังคับได้แล้วจะดีลึกๆ ล, ลงไปคือถ้าบังคับได้เราจะมีความสุขลอกลงไปก็คือเราพุทเจ้าเลยไม่ได้สอนให้มันนั่งบังคับโดงนั่งกําหนดโน้นกาหนดนี้นะท่านให้เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเรากายกใจนี่แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราแล้วก็ใครรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจ พอรู้ความจริงว่ากายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแค่รู้มุมใดมุมหนึ่งจิตก็วางวางความยึดถือกายวางความยึดถือใจกายกับใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์กายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์ไม่ได้ตั้งอยู่ที่อื่นเลยความทุกข์ตั้งอยู่ที่กายกับใจพอเราสามารถวางกายกับใจลงไปได้ความทุกข์ก็ร่วงไปด้วย ก็กายกระจมันเป็นตัวทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยเป็นตัวทุกข์ด้วยในตัวของมันพอระวะกายวางใจเขเห็นว่ามันเป็นใจรักได้ความทุกข์ก็ร่วงหมดท่านจึงสอนว่าตัวขันหน้าตัวกายเป็ 7, ในใจนี้แหละคือตัวทุกข์เป็นทั้งตัวทุกข์เป็นทั้งที่ตั้งของความทุกข์ถ้ารู้ตรงนี้แล้วปัญหาจะหมดอัตโนมัติความอยากจะให้ใกายให้ใจความอยากจะให้เรามีความสุข อยากให้เราดีัจะหมดไปความดิ้นรนความปรุงแต่งทางใจทั้งชั่วทั้งดีก็จะหมดไปด้วยเมใจพ้นจะความปรุงแต่งใจเข้าถึงความสงบตุความสงบตุที่พ้นจะความปรุงแต่งได้อได้กว่ามิโรจนิพพานดีดีอื แล้แล้วก็ไม่เราจะดูลงมาใหนะ้ถึงจนะิตถึงใจของเราเอง ใ, ในใจนี้เราไปรักไปยห่วงมันมันเที่ยงหรืไม่เที่ยงมันทุนทกข์หรือมันสุขมันมันบังคับได้หนระือบังคับไม่ได้ <S <S <S <S น้อนเปไ็นิดมีมานฑสิการน้อนไปที่น่ใในานิดนิดในใจไปครั้งใจไปครั้งลงเฉยเอใจจ่ไปครั้งอยู่ที่เฉย น้อยนิดหนอยนี้เดียวแบบบางเฉียบเพราะงั้่จะไปพอใจในเกาะความ่วยไปแต่ที่ไปภาวนาได้ดีจิตใจมีกำลังไม่ได้วันที่มีสุขใจเหมือนเดิมไหมซ้ำไหมซ้ำไหมเต็มซ้ำไหมหรือไม่ซ้ำ ซ้ำยังไม่ตุ้กเท่าไรมันร้องต้ำอยู่ประโยคเลยนมันตุ้กเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ให้ดูว่ามันร้องให้ดูให้เห็นว่ามันจะร้องก็ห้ามมันไม่ได้การที่เราเห็นจิตมันร้องเองก็ดีเหมือนกันมีระดับหนึ่งเม่อมีสติรู้สภาวะจิตร้องเกรงท่ตนก็มีปัญญารู้ความจริง เออมันจะร้องถ้ามันไม่ได้เวลาเดินวิพพานนะซึ่งมือมีสามตัวสติสมมาสมาธิปัญญาสติเป็นตัวรู้สภาวะสมมาสมาธิเป็นตัวช่วยให้ใจมันตั้งมั่นในการรู้สภาวะไม่ไหลเข้าไปไม่สลับเข้าไปปัญญารู้ความจริงของสภาวะดังกันที่เราเห็นว่าจิตมันร้องเตะมีสติรู้สภาวะไม่ว่าจิตร้องเตะ ระหว่างนั้นใจต้องตั้งมั่นเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันอย่าไปหาทางรักมันนะอย่าันใจไม่เป็นกลางเสร็จแล้วก็รู้ความจริงไปจิตจะล้องเพลงห้ามมันไม่ได้จิตเิ็นของบังคับไม่ได้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้มีปัญญาแต่ว่าไม่ใช่คิดนะไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาว่า เ, ออเธอจะร้องเพห้ามเธอไม่ได้แสดงว่าจิตเป็นใจรักหรือยๆๆไม่ได้นะ พิจารนาการมนานักสิการการช่วยมันคิดนี้เดียวอย่าเยอะนิดเดียวอันนี้สําหรับคนที่ติดสมถะแต่ถ้าบางคนที่จิตมันเจริญปัญญาหมุนติ้วติ้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปช่วยมันถ้าคืนไ่ช่วยมันนจะฟุ้งตา้านเกินไปแล้วปัญญากับฟุ้งต้านนะข้ามเส้นแค่นดิดเดียวเลยโมหะนี่เป็นตัวฟุ้งตา้านโมหะเป็นตัวหลงปัญญาแปลว่าไม่หลง ปัญญาคือตัวโมหะแต่ไม่หลงไม่ใช่แต่ว่านอนซุ่มๆคื้นนอนสุ่มๆคื้นก็เป็นโมหะอีกเป็นควาหลงอีกเพรนั้นเราใจยังไม่อยู่ในความสุ่มๆพื้นขณะเดียวกันก็ไม่ได้ผงตานั่นเมื่อไรใจสุ่มๆนิ่งๆเฉยๆนี้ต้งช่วยมันนิดหน่อยเลียหนานินี้นีดเดียว หลวงปูทั่วไปบอกคิดเท่าไรก็ไม่รู้อยู่คิดถึงรู้แต่อาศัยคิดแต่ก็อาศัยคิดอาใส่คิดหมายถึงช่วยพิจารณานิดเดียวนะเป็นการกระตุ้นให้จิตมันทํางานไม่งั้มันจะเฉื่อยแต่อย่าคิดเยอะนะนี่จะเสียเลยปุ้งป้านิพพานไม่ใช่การคิดตรงที่เราไปกระตุ้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่นิพพสนา ในกระตุ้นแล้วพอจิตมันหันมามองกายมองใจในมุมของไตรักษณ์นี่จิตเลยวิปัศนาถ้าจิตไปรู้กายรู้ใจแล้วก็ทื่อๆอยู่เฉยๆไม่ยอมลงมองลงในมุมของไตรักษณได้สมถะใช้าการดูจิตไม่ใช่เป็นวิปัสสนาตลอดนะการดูจิตบางทีก็พลิกไปเป็นสมนนถะเฉยๆหลวงผูู ด, ดูเจริญสอนหลวงพ่อบอกว่าดูจิตแล้ว ไ, ได้สมถะอัตโนมัตินะ จิตจะพิกไปพลิกมาระหว่างสมาธิวิปัสนาอีกองค์หนึ่งท่านเป็นตันท่านอาจายตันอย่างพวกเด็กในเน็ตไปเรียนที่วัดใครพักที่วัดท่านเยอะผู้นี้บอกว่าชอบดูจิตท่านชอบเปรย์เปรย์ไม่เห็นมีคนดูจิตมีแต่พวกเพ่งจิตเพ่งใหเฉยไปถล้ำลงไปลึกๆไปเพ่งไปลึกๆยังไงก็เพ่งใช้ไม่ได้เป็นสมาธิเหมือนกัน กว่าใจจะเดินพอดีพดีนะเ้อใครสังเกตเดี๋ยวก็มากไปเดี๋ยวก็น้อยไปเราทําหน้าที่เหมือนคนขับรถนะอย่าไปวิบบ่งเองนะเป็นแับรถนั่งเฉยๆบางทีก็เหยียบเลยฟุงต้านมากนะเหยียบเลยอัมสง์บังทีต้องเหยียบคันเล่นกระตุต้นให้มันเกิดปัญญาไม่งั้นเฉ่อยอัมสงบอัมสงบ สมถะทิ้งความคุามไม่ได้เลยดสมถะทิ้งไม่ได้แล้วปฏิบัติไปดูถูกสมถะครูบาอาจารย์มันองค์ท่านไม่ชอบให้ทำสมสะพูดจาเหมือนกับปฏิเสธตอนจริงไม่ใช่ท่านจะปฏิเสธหรอกเป็นท่านพูดกับพวกติดสมถะพวกพดกับพวกติดสมถะก็บอกว่าอย่าไปเอามันทิ้งมันไปเลยใจจะได้ไม่ติดก่อเฉย แต่ือไม่มีสมถะช่วงหนึ่งก็ต้องบอกให้ไปทําสมถะทำไมจิ้มสมถะไม่ได้ไม่มีใครเข้าถึงธรรมะได้ด้วยปัญญาล้วนๆทุกคนเข้าถึงธรรมะได้ด้วยสมาธิและปัญญานะคือการบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุด้วยเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ไม่ใช่บรรลุด้วยเจโตวิมุตต์อันเดียวหรือปัญญาวิมุตต์อันเดียวมีความเป็นจริง ต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาแต่ว่าบางคนเริ่มต้นด้วยปัญญาปัญญานำหรือก่อนสมาธิเกิดทีหลังพวกนี้ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติบางคนทำสมาธิก่อนเกิดปัญญาทีหลังพวกนี้เรียกเกโตัววิมุตติในความเป็นจริงมีทั้งตองอย่างขาดแต่เด่นหนึ่งเหมืนุนขาเดียวนะเดนยากิ้งทัาาดปัญญาไม่แต่สมาธ มทำางง่ามักเยติดจเลยองนไม่เาก่อนไม่รู้จิตถ้าคนไม่เคยทสมาธมาก่อนนะ้วเรียนเรื่องนี้ปั ส, สนาง่ายคือเข้าใจง่ายเพราะคนที่ไม่เคยทาสมาธเนี่ยสิ่งที่ผิดเพียงเดียวคือเผลอไปหลงไปคนที่เคยทาสมาธเข้าคอสบ่อยๆ อ, อะไรนะี่จผิดสองอย่างถ้าไม่เผลอเเพ่ง เป็สองอนเะต้อเรียนสองอย่างแต่ว่าถ้าเราดูรวดเดียวไปเลยดูจิตรวดเดียวไปเลยไม่มีสมถะเหมือนหลังเลยแต่จะฟุ้งเหมือนรู้แต่ไม่รู้หรอกจะรู้อยู่นอกนอๆเพราะงั้นใจต้องตั้งมั่นนะใจไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่ตัดมันจะรู้แบบครูบาอจารย์ฐฐ น, นักตาก็เหมือนมีมีดอยู่เล่มอาไปตัดต้นไม้ ปันมันทั้งวันทนะ้งคืนไม่เคยรับมีดมีดซื่อๆนะปันจะเหนื่อยมีดจะกู้ปไปเรื่อยๆต้นไม้ก็ไม่ไม่กระเตือ น, นมี่ท่านเปรียบเทียบในยุคของคนที่มีต้นไม้เยอะเดียบเที่ยงตัดต้นไม้ท่านดี๋ยวนี้ไปเปรียบเทียบตัดต้นไม้เดี๋ยวบอกว่าไม่ส่งเสริมการอนุรักษ์ต่สนาที่จริงไม่ได้ท่าเจ้าสอนบอกว่าที่สูทั้งหลายทำที่ควรเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมรรถและวิปัสสนา แต่เวลาหลวงพ่อสอนนะบุงคนหลวงพ่อก็บอกว่าหยุดสมาธเลยเพราะมันติดสมถธิอยู่บางคนเจริญปัญญาด้วยแต่คนจิตกระจายวุ้นวายหลวอบอกให้เพิ่มสมาธขึ้นเหมือนครูสอนกลับรถยนต์เลยเมื่อสีก็บอกว่เวเ้เปลี่ยนเอาเบรกเบรกเข้าสีก็บอกให้เยียบคันเร่งหน่อยเพรน้นคนแต่ละคนมาเรียนธรรมไปได้เฉพาะตัวอย่างหลวงพ่อสอนคนนี้อีกคนนึงเอาไปทํานะเ๋วเป๋ ปฏิบัติปฏปปไปแต่ถ้าโดยหลักการเนี่ยพูดเรยนแรกเน่หลักการนะทุกคนต้องอยากหลักการอันเดียวกันเช่นสติจริงๆเป็นยังไงสามมาสมาธิเป็นยังไ ง, าาไงการเจริญปัญญาทํำยังไงปัญญาเป็นเรื่องยังไงนี่ต้องเหมือนกันหมดแต่แทคกติกที่แต่ละคนทาอารมณ์ที่แต่ละคนใช้ไม่จําเป็นต้องเหมือนเลยบางคนดูกายบางคนดูจิตบางคนทําสมถทานก่อนบางคนเจริญปัญญาก่อน แต่ถ้าอันใดมากไปน้อยไปก็ต้องไปปรับไปแก้ไปไปก่อนตอนก่อนจะเปิดที่เรียกงานกลวงพ่อมีถ้าคุยนักปฏิบัตินะถ้าไม่หนักไปก็เบาไปนั่นด้ยดีนัปฏิบัตินั้นไม่หนักใจก็เบาไปถ้าสำนวนหลวงพ่อก็คือถ้าไม่เปลอไปก็เพ้งเอาไว้เพอาะเพ่งมันก็หนักหนักนะเผลอไปก็เบาเบาตึงต้านไปเบา ถ้าเจ้าตัวมีโยนิโสมนสิกามู้จับสังเกตสังเกตตัวเองได้ก็ตอนนี้ใจพุ่งตั้งเกิดมันทำความสงบเหมือนตอนนี้ใจติดความกความสงบเฉยๆแล้วต้องเจริญปัญญาแลถ้ามันขี้เกียจมันไม่ยอมเจริญปัญญาทามันคิดนิดๆหน่อยๆทาช่วยกระตุ้นมันหรือมันซึมมากเรออกไปหาผัดศักดิ์ไม่ใช่ภาวนาหลบอยู่ใ น, ในวัดอยู่แในถ้า แต่ก็ไม่ใช่ร่อนๆอนอกไปให้นอกตลอดมัมีจังหวะจากคนนะเป็นศิละปะเหมือนกันศาสตร์เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนศาสตร์ของการเจริญสมปทาศาสตร์ของการเจริญวิปัสสนานี้ต้องเรียนศาสตร์นี้เหมือนกันหมดแต่ศิละปะในการปฏิ บ, บัติของแต่ละคนที่เป็นศิละปะศิละปะเฉพาะตัวเลยไม่ตแต่จะเลือกเรื่องอารมณ์กรรมฐานยังไงถ้าเรานิสัยคิดมาก ต้องเรียกดูจิตถ้าเรานิสัยโลภมากรักสุกรักสบายรักสวยรักงามต้อเลือกดูกายที่เรื่องอารมณ์ก่อนตอนเรื่องอารมณ์แล้วมันต้องเรื่องวิจีปฏิบัติถ้าจะดูกายต้องทําสมาธิก่อนถ้าจะดูจิตดูไปเลยสมาธิเกิดทีหลังดูกายถ้าไม่ทําสมาธิก่อนมันจะรู้กายไม่ได้จริงมันจะไปเพ่งร่างกายเพ่งกายวิวัฒน์ไม่ใช่รู้กาย ถ้าดูจิตจะทำสมาธก่อนจิตจะเฉย ๆ, ๆไม่มีอะไรให้ดูเช่นจิตมีราคะแล้วก็โลภหนอโลภหนอหรือพุกโธพุทโธนะราคะก็ไม่มีใจะให้ดูฟุ้งต้านขึ้นมาก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็ไม่มีฟุ้งซ่านจะให้ดูหายไปหมดเลยการดูจิตท่านบอกให้มันเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกดูเข้าไปเลยแต่การดูกายเหมาะกับสมาธญาณิกเหมาะคนทําสมาธิ กายไม่ได้แต่ว่าร่างกายอันนี้ต้องเรียนนะกายคำว่ากายยาเนี่ตันนี้ในสติปัฏฐานกายแปลว่าที่ประชุมกายเป็นที่ประชุมคำว่าที่ประชุมประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยห้องประชุมประกอบด้วยคนที่เข้าประชุมประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่ประชุมกายเป็นที่ประชุมนถ้าไม่มีห้องประชุมเลยอยู่กลางแจ้ง อยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้นั่นแหละห้องประชุมถ้ามีผู้เข้าร่วมประชุมมานั่งเฉยๆไม่พูดอะไรไม่มีเนื้อหาสาระก็ไม่ได้ว่ามีการประชุมไคำว่าวกายคือที่ประชุมที่ประชุมของอะไรของรูปที่ประกอบเป็นร่างกายคือตัวห้องประชุมเหมือนห้องนะร่างกายเนี้ยเหมือนห้องเหมือนคูหาดุ่งแจบวเป็นคูหาให้จิตอาศัยอยู่ผู้เข้าประชุมคืออะไรคือจิต เรื่องราวเดี่ยสุขเดียวทุกขเดียวดีเดี่ยวร้ายนี่คือตัวเจตสิกดสงนั้นคากายยานิปัสสนานี่คือการดูการประชุมกันของรูปของจิตของเจตสิกไม่ใช่ดูแต่กายอย่างเดียวนะถ้าดูแต่กายอย่างเดียวไม่ขึ้นมีปัศนามันจะเพ่งกายเช่เราดูท้องทองที่ผ่องทองที่ยุบเราไปเพ่งที่ท้จะ ไ, ได้แต่สมถะทำยังไงถึงจะเกิดมีปัสนา ใจของเราต้องตั้งมั่นเป็นคนดูกายอยู่อันหนึ่งใจอยู่อันหนึ่งคนประชุมกับห้องประชุมไม่ใช่สิ่งเดียวกันเั้นร่างกายมันเป็นที่อาศัยของจิตร่างกายเคลื่อนไหวไปก็จิตสั่งให้เคลื่อนไหวได้ดูไปกายอาศัยอยู่ในจิตนั้นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนแต่จิตเป็นคนสั่งร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนแต่จิตเป็นคนรู้เป็นคนดูให้มีกายมีจิตเนะ เรียกว่าต้องแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตออกจากกันถ้ามีแต่กาเดียวเรื่องจิตจะถลำลงไปเพ่งได้แต่สระพะอย่างบางคนฝึกหายใจในะหายใจไปเรื่อยหรือฝึกดูท้องของยุกยุกเท้ายั่งเท้าใจเข้าไปเพ่งที่ลมหนใจเพ่งที่ท้องเพ่งที่เทา้าคนขยับมือใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เอาจิตเข้าไปตั้งแช่ไว้ที่ตัวอารมณ์ การเอาจิตตั้งแช่ไว้ในตัวอารมณ์เรียกว่าอารามนุปนิชฌาการเพ่งอารมณ์เป็นสมถะธรรมะเราเพ่งมากๆนะจิตเกิดปีติเช่นเกิดผลลุกผลทองเราบอกเราดูพองยุบตามนิพัศนานะผลลุกผลทองนะรู้สึกผูบ้าบ้าๆรู้สึกพังงาหน้าพังงานาหลังนั่นอาการของปีติอาการของสมถะทั้งหมดเลยไม่ใช่วิปพัฒนานะจะทำนิพพัศนาได้กายกใจต้องแยกกัน ผูง่ายๆกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูท่าจะทำนิพพานาด้วยฮานาปานัสติเห็นร่างกายนี้หายใจใจเป็นคนดูเห็นว่าร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นต้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าตัวหายใจมีธาตุไหลออกตัวหายใจนี่เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ต้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากมันจะเห็นทันทีว่ากายไม่ใช่ตัวเรา แต่ถ้าจิตอยู่่งอยู่ที่ท้องมันจะไม่เห็นว่ากายไม่ใช่เราหรอกจะ น, นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งแต่ถ้าจิตยอยู่ตังหะเห็นร่างกายแห่งใจจะรู้ทันทีนะจะรู้สึกทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวที่กำลังใส่ใจเป็นวัตถุเป็งต้นธาตกับเพิ่มเข้ากับเพิ่มออกมีธาตุไหลเข้าไหลออกมันถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้คือตัวเราซี่คือวิปัสสนานะนวิปัสสนามุ่งถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรา พุ่งผอถอนความยึดถือในกายในใจเบื้องต้นเนี่ยอถอนความเห็นผิดก่อนพอไม่เห็นผิดแล้วได้โสดาบันพอไม่ยึดถือเ ร, รียกว่าพระอรหันต์รานั้นดูลงไปที่กายที่ใจดูกายก็มีใจเป็นคนดูแล้วเห็นในกายอยู่อนหนึ่ง ใ, ใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายหายใจไบบวัตถุภาตนี้กับเพื่มหรือใจเป็นคนดูคนดูท้องผองยุบก็เห็นร่างกายนี้กับเพื่ม ใจเป็นคนดูอย่าให้ใจไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องนะตรงนี้ที่พลาดกันมากเลยเขาไปแปลคําพีแล้วไปแปลของภาษาไทยไปใช้ถ้าไปแปลว่าสติปัฏฐานเนี่ยสติเข้าไปตั้งนั่นีอยหลวงสติมีหน้าที่รเรารึกสติไม่มีหน้าที่ตั้งตัวที่ตั้งคือตัวสมาธินี่เรียนองค์ธรรมแล้วมันคลาดเคลื่อนจาบสภาวะนะส่วนใหญ่เป็นหลงเพ่ง เขาชอบเก่งชอบกําหนดนะเขาแปลคาพีเขาอ่านคาพีนี่นะแปลเป็นกําหนดหมดเลยอย่างแปลว่าทุกให้ให้รู้ก็ไป็แปลว่าทุกให้กําหนดรู้เติมกําหนดลงไปตามใจชอบนะในสับบารีไม่มีกําหนดเลยทุกขังอริยสัจจังปรินยังแปลตรงตัวเลยปรินยังเนีแปลว่าให้รู้ปริสปลว่ารอบอยาแปลว่ารู้ ให้รู้รอบในกองทุกขังอริยสัจจ์ปาริญญยัตให้รู้รอบในกองทุกข์รู้ทั่วถึงรู้ตรงความจิตไม่ได้มีให้กําหนดกายกําหนดใจเลยนะเอาไปแปลภาษาไทยแปลอัตโนมัติมันต้องปากทุกให้กําหนดรู้บางคนสมูทไทยให้กําหนดละกําหนดไปหมดเลยในรักศัพท์ลงแปลศัพท์ที่ผู้เจ้าสอนเราไม่มีเยอะเลยพโกนี้เยอะมากเลย ย่างมานักิการยังแปว่ากําหนดอีกอะไรก็แปลว่ากําหนดนะคําว่ากําหนดนี่ยูุสีสงฆ์ชอบกูบากูบาแมนนี่เป็นรวมเนี่ยจัดในตำราที่สอนกรรมฐานกันมีศัพท์ที่ใช้แปลกําหนดนี้เยอะแยะไปหมดเลยอะไรอะไรก็ใส่เข้าไปตามอัตโนมัตนะิให้มันเลาะๆไม่เคลื่อนจากสตาวะนะสภาวะให้รู้ไม่ใช่ให้กําหนดกําหนดมันเจือด้วยโลภเจือด้วยตัณหาอยากปฏิบัติสิ่งได้กําหนด ถ้าอยากปฏิบัติแล้วลงมือกำหนดในระหว่างกำหนดนั้นความอยากยังอยู่นะปัญห า, ย, างงยังครอบงำจิตอยู่สติจะเกิดไม่ได้เลยเพราะสติจะเกิดร่วมกับกิบเลสไม่ได้เด็ดขาดนะนะนะต้องค่อยๆเรียนนะเหม้องนั่งจับฟังๆดูฟังไป